สิ่งที่มากระทบหูคือเสียงเรียว่าอารมณ์กลิ่นที่มากระทบจมูกเนี่ยคืออารมณ์รสที่มากระทบลิ้นแล้วก็ความเย็นร้อนอ่อนแข็งที่อยู่ภายนอกเนี่ยมากระทบใจเราเนี่ยก็คืออารมณ์าอารมณ์ภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าโลกสซลโอลอริงโกไก่โลกที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโลกดั่นคำว่าอารมณ์กับโลกเนี่ย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 รู้แล้วว่าสุกนะตีหายเกิดขึ้นนานๆไอ้ความอยากเนี่ยทำาเราตกทางตกทางซ้ายแล้วตกทางขวาแล้ยิ่จะทํายังไงล่ะคะเแล้วก็เหมือนจมแช่อยู่ในอารมณ์ไม่เลิกสัทีพอรู้แล้วมันก็หายไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาอีกละเนี่ยนะเพราะเราในความหวังเราเนี่ยคืออยากให้มันหายอยากให้เป็นอย่างใจเราคืออยากให้ทางเข า, เ, ขาเนี่ยถูกใจเราคือไปแก้สิ่งภายนอกเพราะนั้นถ้าเรารู้เฉยๆเนี่ย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 ที่เป็นปกติเนี่ยมันใบบัวใบบัวเนี่ยสามารถรับน้ําได้หลายนะำแต่น้ําขมน้ําเปรี้ยวน้ําเผ็ดน้ําเค็มเสร็จแล้วน้ําก็ผ่านใบบัวไปเพราะใ<อ>บบัวบไม่มีปฏิกิยาอะไรกับน้ำแบบ น, นั้นแต่ถ้าเป็นกระดาษที่ชู่มอะไรแล้วก็ใบบัวเป็นกระดาษที่ชู่มอะไรแล้วก็เปลี่ยนสีน้ําจะเข้าไปแทรกซึมแล้วก็ทำให้กระดาษนั้นขาดได้การเจริญสติเขาจะบอกว่าให้เริ่มต้นในการรู้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้าย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 ลันกระทบตัวเรากระทบจิตกระทบใจเราซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเราขาดสติเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งที่ผิดปกติเข้ามาย้อมใจเราให้ผิดปกติเหมือนใจเขาเพราะฉนั้นเรามีสติรักษาจิตเราไว้รักษาจิตเราให้เป็นปกติอย่าปล่อยให้ความผิดปกติของอารมณ์หรือคนอื่นต้องมาทําลายความเป็นปกติของใจเราคดรวยการรู้เท่าทันแล้วก็ฝึกที่จะปล่อยวางไปอย่าไปให้ความสําคัญมั่นหมาย ถ้าไปให้ความสําคัญบรรนัดหมายกับอารมณ์ที่มากระทบเมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะตกทางทันทีเลยสําคัญบรรนัดหมายในทางที่ชอบกับไม่ชอบก็สุดโต่งไปคระติกระตางแต่ถ้าเร า, าท้อทันอ๋อรู้ยเฉยๆจะแก้ไขปัญหาก็แก้ไขไปด้วยสติด้วยการรับผิดชอบตัวเรา